เป็นเรื่องของคาราวานชั้นเลิศเนาะใช่ไหมอืมอได้รับแจกันหมดแล้วเนาะ ที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอความเห็นที่ที่ต้องการจะออกบวชเนี่ยเขาจะเห็นอย่างไรก็คือเขาเห็นว่าคารวาเนี่ยครับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาจะเป็นโอกาสว่างมันไม่เป็นไปได้โดยง่ายที่ เราผู้อยู่คลองเรือนนะจะประพฤติประมจาจันนั้นให้บริสุทธิ์บริบรูณบรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดสาดดีแล้วก็เลยคิดว่าถ้ากระลายเราพึงปรงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดนะนี่ก็ผ้าย้อมฝาดนะ น้ำที่ได้จากเปลือกไม้กันไม้ลูกไม้ใบไม้นะนั้น อ, อันนี้เราก็ทําตามที่ผู้เจ้าบอกก็ย้อมจากน้ําฝาดที่ได้จากเปลือกมังคุดกับกันขน้นนะามาย้อมผ้าก็จะได้สีนี้นะคือถ้าเราทาตามกรรมวิธีที่ผู้เจ้าบอกไว้เนี่ยสีมันจะออกมากลืนๆ ก, กันหมดนะ อาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะว่าตัวกันไม้ใบไม้ลูกไม้แต่ละอันก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะแต่สีจะออกมาในโทนเดียวกันนะเรื่องที่สองในเรื่องของทิศหก ที่ถนี่ก็เป็นหน้าที่ของคารวาสที่จะเกี่ยวข้องกันในสถานะต่างๆเราเป็นพ่อแม่จะเกี่ยวข้องกับลูกทําหน้าที่ต่อลูกอย่างไรลูกควรทำหน้าที่ต่อบิดามารดายอย่างไร <c oughs> อาจารย์ต่อลูกศิษย์ลูกศิษย์ต่ออาจารย์ ภรรยากับสามีมิตรสหายต่อกันนายกับเปาสมณะปรามเราจะต้องทำอย่างไรอย่างพ่อแม่ก็ท่านเลี้ยงเราแล้วเราจาักเลี้ยงท่านเราจักทากิจของท่านเราจาักดำรงวงศ์สกุล ปฏิบัติตนเป็นทายาิเมื่อท่านทำการละลุ่งรับไปแล้วเราจะกระทําทักษิณาอุทิศท่านส่วนพ่อแม่นาะมันดาบิดาก็อนุเคราะห์บุตรคือห้ามเสียจากบาปตั้งอยู่ในความดีให้ลูกตั้งอยู่ในความดีสอนเขาให้ศึกษาศิลปะให้มีคู่ครองที่สมควรมอบมรดกให้ตามเวลา เนี้สงสัยพ่าแม่จะหาคู่ครองให้ยากมั้งนแต่พามาให้พ่อแม่ดูก็ดีเผื่อท่านจะแนะนำอะไรได้ไง อาจารย์ต่อสิทธ์นะลุกขึ้นยืนรับนะด้วยการเข้าไปยืนกอยรับใช้นะครูอาจารย์ของเราด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่งด้วยการปริบัติด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพครูอาจารย์ก็แนะนาดีให้การศึกษาดีบอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิงทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสาย ทำการคุ้มครองให้ในที่ตั้งปวงสามีกับภรรยาสามีต้องยกย่องไม่ดูหมิน่นไม่ประพฤตินอกใจมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ ด้วยการให้เครื่องประดับแสดงว่าผู้้ายทราบผู้หญิงชอบเครื่องประดับสั่งให้สามนะีหาเครื่องประดับให้นะเป็นหน้าที่เลยนั้นเนี่ยส่วนภรรยาก็บอกให้จัดแจงการงานดีส่งเคราะห์คนข้างเคียงไม่ประพฤตินอกใจตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงอืมต่อมามันนึกได้อันหนึ่งตรงเพราะที่เขาที่ยังสงสัยเรื่องสินข้อสามว่าจะมีแต่ฝั่งผู้ชายฝั่งเดียวหรือเปล่าใช่ไหมแม่ประพฤติปิดในหญิงที่เป็นปรยาของผู้อื่นแต่ไม่มีพูดถึงเรื่องของผู้หญิงปิดนะแต่ถ้าอันนี้นี่ก็จะเจอว่า ผู้หญิงก็ไม่ให้ประพินอกใจเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ยังยังไม่ชัดเจน <c oughs> เดี๋ยวไว้ต้องดูอ่าพระสูตรให้มากกว่านี้นะอ่าเพราะคำาว่ายาตาเลยที่น่าสงสัยก็คือไม่รู้ว่าจะอ่าแปลว่าผู้หญิงอย่างเดียวหรือว่าทั้งชายทั้งหญิง แต่ตอนนี้จะแปลเป็นหญิงอย่างเดียวนะ <c oughs> ซึ่งจะทำให้เวลาผู้หญิงประพฤตินอกใจก็คือไม่ผิดสินห้าเพราะว่าสินห้ามีแต่ว่าฝั่งผู้ชายนะ <c oughs> แต่ถ้าอันนี้ก็จะจะบอกไว้นะ <c oughs> ว่าไม่ให้ผู้หญิงประพฤตินอกใจเหมือนกัน มิตสหายด้วยการให้ปนันผู้จ่าภัยร้อการประพฤติประโยชน์วางตนเสมอกันไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกแยกการวางตนเสมอกันนี้ก็สำคัญรักษามิตรผู้ประมาทแล้วรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วเป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภยัย ไม่ทอดทิ้งในายามีอันตรายไม่ใช่เวลามิดมีอันตรายก็ไปแล้วตัวใครตัวมันนะไม่ช่วยเหลือมิดนับถือสมาชิกในวงของมิดนะถ้ากรรมกรนะกับนาย นายต้องให้ทำงานตามกำลังในหน้าสิบสี่ด้วยการให้อาหารและรางวัลเป็นนายเขาต้องรู้จักให้อาหารให้รางวัลรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้แบ่งของมีลดประหลาดให้ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยลายมีลูกน้องต้องทำตามหน้าที่นี้ด้วยเรื่องแบ่งของมีลดประหลาดให้ ก็เป็นที่น่าแปลกนะอย่างถ้าเราซื้อของกินมาฝากลูกน้องนี่ลูกน้องจะรักนะจะชอบนะเป็นหน้าที่ที่นายควรทำให้อย่างที่เคยบอกเรื่องลิ้นเนี่ยนะในอายตนะห้าของกายลิ้นเนี่ยจะแรงกว่าเขาเพื่อนเลยเพราะลิ้นนี่จะพ่วงด้วยทุกทุกอายตนะนะอย่างเวลาจมูก ดมกลิ่นแล้วชอบเนี่ยลูกตาก็ไม่รู้เรื่องด้วยหูฟังเสียงเพราะจมูกก็ไม่รู้เรื่องตาก็ไม่รู้เรื่องแต่ลิ้นเนี่ยอขอพุ่งด้วยหมดเลยพอตายเห็นอาหารลิ้นก็อยากด้วยหูได้ยินก็พูดลังหารลิ้นก็อยากจมูกได้กลิ่นลิ้นก็อยากด้วยลิ้นเนี่ยขอด้วยหมดเลยนะก็เลยพระเจ้าคงมองวันนี้ถ้านายดูแลลูกน้องเรื่องลิ้นเนี่ยนะอืมก็ <c oughs> จะเป็นที่ ที่ผูกใจลูกน้องได้เลมการปล่อยให้อิสระตามสมัยถึงสงกรานต์ถึงปีใหม่ก็ต้องปล่อยเ็าบ้างนะลูกน้องก็ต้องลุกขึ้นทำงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายถือเอาแต่ของที่นายให้ทำการงานให้ดีที่สุด นามเกียรติกุลของนายไปล่ำเลือ้อนี่ก็จะสอดรับกับสั ต, ตรบรุุรที่ชอบกล่าวความดีของคนอื่นตรงนีน้จะทำยากนะนะส่วนใหญ่ลูกน้องจะไม่ค่อยเอาเกีรติกุลของนายไปล่ำเลือ <c oughs> มันน่ามักจะนินทา ว่ามันทำงานมันกระทบกันเลยนะก็ะไรจะนินทาซะมากกว่าปฏิบัติต่อสมณะด้วยเมตตายาจกรรมบัจจีก ร, ร ม, มโนกรรมนะด้วยการไม่ปิดประตูก็คือให้ยินดีต้อนรับ ด้วยการคอยถวายอามิสตานนะสมณะก็ให้ห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยใจนงดงามให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจมแจ้งถึงที่สุดบอกทางสวรรค์ให้ มนุษย์ตั้งหลายยังชอบเปิดในสวรรค์นะต้องบอกทางสวรรค์ให้หน่อยในหน้าสิบเจ็ดนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยบอกไว้บ่อยๆเรื่องการการทดแทนบุญคุณมารดาบิดานะให้ทดแทนด้วยธรรมสี่ประการ ก็คือให้มารดาบิดาเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาในพระรัตนตรยัยนะศรัทธาสัมปทาซึ่งถ้ายงในอีกประสูตรหนึ่งเนี่ยเครื่องว่าศรัทธาคืออะไรก็คือความเลื่อมใสยอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือให้ให้มัมีศรัทธาในตถาคตนั่นเองนะพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ สาวกให้มันดาบิดานี่นะมีศีลสัมปทาถึงพร้อม้วยสินกราวาสก็สินห้าให้ละความตัวหนะีมีจากะการเสียสละแล้วก็ให้มีปัญญานะด้วยเหตุเพียงเท่านี้ทำสี่ประการเนี่ยชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่ มันดาปิดา <c oughs> ใครไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะในหน้าสิบเก้านี่เป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้คนบางคนก็จะบอกว่าภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้คือไฟไหม้น้ำท่วมอะไรอย่างนี้ แต่บางคราวก็ยังช่วยกันได้แต่ภัยที่ช่วยกันไม่ได้จริงๆคือภัยอันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแม่ก็เจ็บแทนลูกไม่ได้ตายแทนลูกไม่ได้ลูกก็แก่แทนแม่เจ็บแทนแม่ตายแทนแม่ไม่ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองกันทุกคนอันนี้คือภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ของแท้เรียกอะมาตา ปกติกับปายปายที่แม่ลูกช่วยเหลือกันไม่ได้จริงๆแต่วิธีแก้ไขก็คืออราริมักในองศนะแก้ไขได้ในหน้า23ทํสีประการที่น่าปรารันาหน่ารักใครหน่าพอใจหาได้ยากในโลก อันแรกเนี่ยขอพภคกรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรร ม, มก็เหน็ดเหนื่อยกันโดยทั่วหน้านะกว่าพภคกรัพย์จะเกิดขึ้นเนาะอขอยดจงเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายอขอเราจงเป็นอยู่นานจงรักษาอายุให้ยั่งยืนไม่มีใครอยากตายไวนะ อยากอยู่จนแก่จนเฒ่าทั้งนั้นนี่เป็นความปรารถนาทุกคนเลยเมื่อตายแล้วขอเราจงเข้าถึงสุติโลกสวรรค์ทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสี่ประการอันหน้าปรารถนาน ก็ในเมื่อเราปรารถนาทรสี่ประการเมื่อสักครู่นี้จะต้องทำธรรมะอะไรถึงจะได้ตามนั้นผู้เจ้าจึงบอกธรรมะอีกสี่ประการให้ในหน้ายี่สิบสี่นะองค์จึงบอกว่าให้มีศรัทธาศีลจาระปัญญาเห็นนะถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยการบริจาคถึงพร้อมด้วยปัญญา นี่เหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะงั้นอย่าไปสร้างเหตุปัจจัยที่ผิดสมณะพาราหมณ์เหล่าอื่นที่ไม่รู้สัจจะความจริงตรงนี้ก็จะบัญญัตนะิข้อมูลผิดๆหรื อ, อเหตุปัจจัยผิดๆให้ทำให้เราเนี่ยนะไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ไม่ได้ผลจริงตามนั้น ที่ก็ให้ไปอ้อนวอนสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งพรเจ้าบอกว่าถ้าการอ้อนวอนมันสำเร็จได้จริงเนี่ยใครเล่าในโลกนี้จะเสริมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดเลยนะไม่มีใครจนเลยรวยกันหมดนะแต่เหตุปัจจัยคือการกระทำทางกายวาจาจิตของเขาเนี่ยไม่ได้ตรงตามธรรมนะตาม สิ่งที่เป็นกุศลนะมันก็ไม่ได้ผลตามนั้นนะนี่ศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายเป็ น, น <c oughs> นะ้มีศรัทธาในตถาคตเนี่ยเรื่องตรัสรู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้จริง สีและสัมปทานะสินห้าหนึ่นะงขามาทิสินห้จากข้าสัมปทานะมีใจปราศจากมันทินคือความตรีมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มนะชุ่ม้วยการให้นั่นเองยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปัน ที่เรียกว่าจาระสัมปทาจริงๆใครมีคุณสมบัติตรงนี้บวกกับความเรื่มใสอันอย่างลงมั่นในพระรัตราไตยก็เป็นโสดาบันลที่จับให้กับช่างไมนะ้การมีจาคะบวกกับเรื่มใสในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ยังไม่หวั่นไหวนี่เป็นธรรมสี่ประการนะที่จะพยากรตนและตนนนและ ว, ว่าเป็นโสดาบันแล้ว ตรงนี้ยังตรงกับที่ธรรมะที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะมัน น, นอกจากเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังเป็นเหตให้ตนเองเนี่ยนะถ้าเดินตามทำสี่ประการนี้นะก็จะได้โกพกรับได้ยศนะได้อายุที่ยืนนะได้มิตรสาย ในสิ่งต่างๆตามที่ปรารถนาการไปสู่สุติโลกสวรรค์ในหน้ายี่สิบเกอันนี้ก็พูดไว้บ่อยจากตัณหาความอยากก่อนจะไปอุปทานคือความยึดเนี่ยมีอาการจิตอก กาาการแสวงหาได้ปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบมัวเมาจับอกจับใจตรณีห่วงกัน้นเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันนี่ก็เป็นปฏิจจสุบาทเหมือนกันเหตุปัจจัยในการเกิดของทำทั้งหลายล้วนเกิดจากเหตุ เช่นการห่วงเนี่ยเราห่วงเพราะอะไรห่วงเพราะว่าเรามีความจะหนีใช่ไหตระหนีเพราะอะไรเราก็ย้อนเหตุปัจจัยกลับไปจะหนีเพราะเราจับอกจับใจในสิ่งนั้นจับอกจับใจเพราะอะไรเพราะเราสยบโมเมาสยบโมเมามีเพราะอะไรเพราะเราพอใจพอใจเพราะเราปรุงใจรักปรุงใจรักเพราะเราได้มันมาการได้มามันเกิดจากการแสวงหาแสวงหามีเพราะอะไรเพราะความอยาก ยิงไปแสวงหามีได้ปรงใจรักไล่อาการของจิตมาเลยน <c oughs> ในหน้าสาเนี่ยความทุกข์ที่เกิดจากการมีนิสินนะก็ดูเหมือนพระองค์จะเตือนให้เราเนี่ยไม่พยายามที่จะกูนีนะ เพราะการกู้นี่เป็นทุกข์ของคนในโลกตอนนี้ยุโรป ก, ก็กำลังมีความทุกขนะ์นะนีสินเยอะนะเห็นไนี่เป็นพรามมีหนี้สินนี่แหละถ้าไม่มีหนี้สินก็ประเทศก็ไม่ต้องนะี่ได้รับความทุกข์นะี่ถูกประเทศทั้งหลายเขาทวงหนี้ลุมทวงหนี้กันนะจริงๆแล้วถ้า ถ้าประเทศใช้หลักการใช้จ่ายทรัพย์ตามที่ผู้เจ้าบอกก็คืออย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับให้รายรับท่วมรายจ่ายเข้าไว้ประเทศก็จะไม่เป็นหนี้ประชาชนก็จะไม่เป็นหนี้เพราะเวลาประเทศเป็นหนี้แล้วเนี่ยมันก็จะลงมาถึงประชาชนด้วยอย่างสมัยก่อนสมัยอาตมายัางเป็นนักเรียนนี่ยังรู้สึกว่าทุกคนจะมีข้าวหัว ติดหนี้คนละกี่พันกี่หมื่นนะก็จะมีกันหมดก็จะเอาประชาชนทั้งหมดมาเฉลี่ยหารที่ว่าแต่ละคนมีหนี้เท่าไหร่นะมันจะพ่วงมาด้วยถึงทุกคนในประเทศนะเมื่อเตือนตรงนี้แล้วเนี่ยผู้เจ้าก็เชื่อมไปกับเรื่องของของความจนในอริยวินัยนะว่าในธรรมวินัยเนี้ย ความจนหมายถึงอะไรการไม่มีศรัทธาฮิริโอตปะวิริยปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมีอยู่แก่ผู้ใดเนี่ยผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนจนเข็นใจไร้รัพย์ในอริวินยัย ศรัทธาหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัววิริยะ <c oughs> ความเพียรปัญญาในกุศลธรรมถ้าไม่มีแก่ผู้ใดเนี่ยผู้นั้นจะประพฤติกายทุจริตวาจีทุจริตมโน ท, ทุจริตขึ้นมาแน่นอนนะคนนี้จะเป็นคนที่จนมากนะว่าจะประกอบด้วยความเป็น อกุศลพรจ้าก็บอกว่าเมื่อมีการประพฤติทุจริตเนี่ยเขาก็จะปกปิดหว น, นขวายไม่ให้ใครรู้จักเขาการปกปิดอย่างนี้เป็นดอกพี้ที่เขาต้องใช้เพื่อนผู้มีสินเป็นที่รักก็จะบอกว่า พากันว่ากล่าวเขาเนี่ยว่าทาไมท่านทำอะไรไม่ดีอย่างนี้การถูกกล่าวอย่างนี้เป็นการถู ก, ถกทวงนี้นะแล้วเขาจะไปอยู่ป่าอยู่คนไม้เรือนว่างท้องถ้ำเชเงื้อ่าก็ตามเนี่ยนะอกุศลเหล่านี้นะมันจะเกิดขึ้นในจิตของเขาตลอดถึงกายจะอยู่วิเวกตามป่าเขาแต่ใจมันไม่วิเวก อย่างนี้เรียกว่าเป็นการถูกติดตามเพื่อทวงหนีนะ้คนจนชนิดนี้นะครั้นประพฤติกายวาจีมโนทุจริตภายหลังการตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายย่อมถูกจองจำอยู่ในนรกบ้างกำเนิดเรศานบ้างพระองค์จึงบอกว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจำอ่ดได้นะแม้อย่างเดียวที่ทารุณอย่างนี้เจ็บปวดอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างนี้ ต่อการบรรลุโยคะเขมธรรมอันไม่มีทมอื่นยิ่งกว่าเหมือนการถูกจองจำในนรกกัมเราชานเปรตวิสัยนะมันจองจำกันยาวเลยเนาะ <c oughs> ก็พบปุ่มพวกนี้กว่าจะกลับขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่นานมากนะที่เงเปรีบเทียบเหมือนเต่าตาบอดเนะี่ยนานเราว่าติดคุกร้อยปีนานแล้วนะเนี่ย อันนี้นานกว่านะว่ากันไปเป็นแสนล้านชาติเลยคนชั่วทาบาปกรรมรู้สึกแต่กรรมชั่วของตนไปสู่กำเนิดระชาลบางอย่างหรือว่าถูกจองจำอยู่ในนรกการถูกจองจำนั้นเป็นทุกชนิดที่ทีลชนไม่เคยประสบเลย มันนัน้นวิธีแก้ง่ายๆนะท <c> ร <oughs> งจำคำตถาคตให้ได้นะเอาให้คล่องปากขึ้นใจแล้วก็แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะถึงเยมยังไม่บรรลุทำอะไรก็ตามผู้เจ้าบอกว่าแม้คนนั้นจะขาดสติหลงลืมทำการละขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเนี่ยเขาจะบรรลุธรรมในภพเทวดา ประสูตรนี้น่าจะเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากอืมจาคำพู้เจ้าให้ได้ให้คล่องปากนะการจะคล่องปากขึ้นใจได้นั่นก็คือโยมต้องต้องสาทายายบ่อยๆสัทชายะนะสัทชายะคำของตถาคตนะจําให้ได้แล้วก็เข้าใจในทุกๆบทปรญชนะนะ อ, <c oughs> อีกอันหนึ่งก็คือ ถ้าก่อนตายเนี่ยนะเราได้ยินได้ฟังคำของพระศาสดาก่อนสิ้นชีวิตจะสามารถที่จะรัศสงโยศห้าได้นะคนที่รัศสงโยศห้าได้แล้วจะได้เป็นพระหลานนี่ก็หลายคนละน่าจะเกือบสิบคนที่ได้ทดลองใช้วิธีนี้นะหลังจากที่บอกสอนไปนี่ก็โยมที่อังกฤษก็นะ แม่กาลังจะเสียชีวิตก็พี่สาวโทรมาก็เลย <c oughs> กลับไปบอกให้เอาโทรศัพท์ไปแน่าผูแม่ไว้เขาก็บอกว่า <c oughs> โอ้ยแม่ไม่รู้เรื่องแล้วบอกไม่เป็นไรเอาให้แม่ฟังไปเ <c oughs> ขาก็พูดประสูตรให้แม่ฟังเลยเลยบอกทําแม่เขา้าใจแล้วช่วยกระพิบตาหรือกระดิกนิ้วหน่อย <c oughs> แม่กระพิบตาได้นะพี่สาวบอกแม่กระพิบตาแล้วกระดิกนิ้วแล้ว เขาก็เลยพูดประสูตต่อไปเรื่อยๆจนกรทั้ทงแม่สิ้นชีวิตนะเขาปรากฏว่าแม่เนี่ยตายด้วยความสงบมากนะเขาก็เลยเห็นมาให้ทราบว่าเขาได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะอย่างถูกต้องตามที่ผู้เจ้าบอกแล้วคิดว่าพ่อแม่น่าจะได้รับอ น, นิสงส์ตรงนี้ คืออย่างน้อยได้เป็นอริบุคคลแน่นอนนะตามที่ผู้เจ้าได้บอกเอาไว้ไมอเช้าก็มีอยู่คนหนึ่งพ่อเสียชีวิตเหมือนกันมาก็เป็นโยมที่มาวัดประจำก็ก็อ่านพระสูตรให้พ่อฟังตลอดนะอ่านพระสูตรมาเป็นสิบวันเชื่อทั้งถึงเวลาสิ้นใจเลยบอกพ่อก็ จากไปด้วยความสมบางบมากนะ tså, <k> uh> <c oughs> ก็เกือบทุกคนเลยที่ใช้การอ่านพุทธวจนะให้นะทุกคนจะอยู่ในอาการเดียวกันคือตายด้วยความสงบสีหน้าผุดป่องยิม้มนะ ก็เป็นเรื่องที่แปลกที่ได้ฟังมาก็เลยเอามาเล่าให้ฟังจะเหมือนกับที่พระนลบอกกับผู้เจ้าว่าพระปัทขุนนาเนี่ยหลังจากผู้เจ้าให้ทรมาไปแล้วก็ทำการละลงแต่ชีวิตวันผ่องใส ย, ยิ่งนักผู้เจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยก่อนฟังทำก็ยังไม่รู้อะไรเลย แต่ <intent>? หล mm ังจากฟังทำแล้วเนี่ยเขาละสังโยชน์ห้าได้แล้วก็เลยตรัสบอกนี่คืออนิสงค์ของการได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตและการบรรลุธรรมของคนที่บรรลุตอนช่วงตายเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันกับคนที่บรรลุแล้วแม้ร้อยปีนะก็เสมอกันเมื่อบรรลุธรรมแล้วนะสัมพัสูตรนี้น่าจะเป็นอะไรที่ ค่อนข้างง่ายมากสำหรับคนขี้เกียจนะหรือมีเวลาน้อยหรือคิดว่าโห้ตนเองคงจะไม่มีความสามารถที่จะบรรลุทำอะไรกับเขาได้นะลองเอาวิธีนี้ไปจำไม่ได้ก่อนนัจ <c oughs> <c oughs> โเมื่อเช้านี้บอกอีกว่าขณะที่เขานั่งอ่านให้ให้พ่อฟังเนี่ย นะอ่านพุทธวจนให้พ่อฟังปรากฏว่าเตียงข้างๆเนี่ยเป็นพระ <c oughs> ก็ใส่สายยางที่ปากด้วยฟังไปฟังไปก็เลยขยับสายยางที่ปากบอกโยมช่วยอ่านดังๆหน่อยอาตมาอยากได้ยินเหมือนกัน <c oughs> น ะ, อะบอกว่าบวชอยู่ที่วัดไม่เคยได้ฟังคำพระศาสดาเลยนะอพอได้ยินได้ฟังปุ๊บมันแปลกหูไงโอ้ในคาผู้เจ้าเรานี่อยากฟัง เขาก็เลยเขยบเก้าอี้มาตรงกลางระหว่างสองเตียงแล้วก็อ่านพุทธวจนะให้ดังกินนะแล้วก็ยังอยากได้ยินได้ฟังพอเวลาใกล้จะตายมัอยากฟังหดไเยอะนะฟังแล้วมันเข้านะพระเจ้าจึงมองเห็นแล้วว่าเนี่ยคนใกล้เสียชีวิตเนี่ยอินทรีย์ภาวนามันจะแก่กล้างนะอืศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันแก่ก้านะ เราจึงชี้ไปที่ว่าเนี่ยถ้าคนก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยได้ฟังคําตถาคตเนี่ยบรรลุทําได้แน่นอ น, นคือบางทีเราจะมองว่ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคือเราประเมินคนไม่ไม่ออกอะแต่พระเจ้าเนี่ยมองออกจุดไหนที่เป็นจุดที่นิดเดียวเนี่ยเขาบรรลุอะไรน่ะเขาบรรลุได้แน่นอนน่ะแต่ถ้าผ่านช่วงเวลาไปแล้วเนี่ยไม่ได้ละนี่เราฟังธรรมะ ม, มาหลายวันแล้วก็ยัง อย่าเฉยๆเพราะยังไม่ใกล้ตายนะถ้าใกล้ตายนี่ได้แน่นอนนะอย่าลืมนะสองพระสุตรนี้นี่มีประโยชน์มากบอกญาติพี่น้องไว้เลยนะเก็บหนังสือพุทธวจนะไว้ให้ดีๆนะก่อนสิ้นชีวิตแล้วก็อ่านให้ฟังด้วยนะเแต่ถ้ากลัวพี่น้องจะไม่อ่านก็อ่านเองเลยอัดเทปเอาไว้นะ พอใกล้จะเป็นไรครับเปิดเทปบนมันฟังตลอดนะอ่ <c oughs> ะนะหลักการดนำนิงชีพเพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบันนี้นะอุตฐานสัมปทาความขยันในอาชีพนะอารักษสัมปทานการรักษาทรัพย์ กัลยาณมิตตตาความเป็นนะความที่มีมิตรดีสมชีวิตตาเลี้ยงชีวิตนะอย่างสมดุลพอเพียงแ่ฐานะพอดีพอดีเนี่ยใครบอกว่าศาสนาพุทธไม่สอนให้คนขยันเนี่ยมาอ่านพระสูตรนี้ซะก่อนนะ กุลบุตรในกรณีนี้สำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการลุกขึ้นกระทำการงานนะกสิกรรมบ้างวานิชกรรมบ้างโคลรักรรมบ้างอาชีพผู้ถืออาวุธมีตั้งแต่ 2,000 กว่าปีแล้วนะพวกอาชีพผู้ถืออาวุธนี่ในอาชีพนั้นนั้นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เกียจคร้าน ประกอบด้วยการสอดส่องในอุบายนั้นๆสามารถกระทําสามารถจัดให้กระทําำมนะีลักษณะของความขยันในอาชีพไม่ขี้เกียจเห็นไหมครูเจ้าไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจให้เชี่ยวชาญด้วยในอาชีพนั้นๆสอดส่องในอุบายนะอืนั้นศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจสอนสมาชีวะ การประกอบอาชีพที่ถูกต้องอลักษสัมปทานกุลบุตรในกรณีนี้โภคะอันกุลบุตรหามาได้ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโพกซัพ์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่ เดื่อหวังว่าอย่างไรเสียพระราชาจะไม่ริบทรัพย์ของเราไปโจรจะไม่ปล้นเอาไปไฟจะไม่ไหม้น้ำจะไม่พัดพาไปทนะายาตอันไม่รักใครเราจะไม่ยื้อแย่งเอาไปมันจริงทั้งหมดเลยนะเรื่องโจรปล้นนะไฟไหม้น้ำพัดไปนี่บางทีเรามองไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้มองออกแล้วนะซึนามิมานี่ชัดเลยนะหมดเลยพังเกลี้ยงเลยทรัพย์สมบัติเรา อืมขนาดไม่พัดนะแค่เออเออขึ้นมาก็แย่แล้วเนะน้ำท่วมนี้ก็หมดแหละโอ้บ้านรถเน่าหมดเลยนะคำพูดตรงนี้ไผยลาะเนี่ย <c oughs> เป็นทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโพกษพที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเห็นไนหะมมาฟังเขาอ่านตรงนี้แล้วโอ้โอซึง่งดีนะท่านบรรยายได้ะละเอียดละออกมากความมีมิตรดีนะ มาดูสามัชชีวิตาหลักการนี้ที่บอกให้รายได้เนี่ยท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับนะนะเราคุมรายจ่ายได้นะพยายามควบคุมรายจ่ายดีๆนะบางทีเราจ่ายตามความอยากเกินไปปุ๊บเนี่ยจนทันทีเลยนะติดลบพอติดลบปุ๊บ ก, ก็กู้หนี้แหละนะอืม เกลียเงินลูกมือของเขานะอ่าคนถือตาช่างหรือลูกมือของเขายกตาช่างขึ้นแล้วก็รู้ว่ายังขาดอยู่เท่านี้หรือเกินไปเท่านี้นถ้าฝั่งรายจ่ายมันเกินไปก็ดึงออกว่างนะอ<ฮ>ืมเดือนนี้ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรถคันที่สองก็หยุดไว้ก่อนนะอ่านั้นรายจ่ายนี่ต้องกุมให้ดี ลักษณะอย่างนี้นะผู้เจ้ายังบอกว่าถ้ากุลบุตรนี้เป็นผู้มีรายได้น้อยแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยแล้วไซก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรนี้ใช้จ่ายพวกทรนะซับเหมือนคนกินผลมะเดือ่อชั้นใดก็ชั้นนั้นก็คือสุลุยสุรลายซึ่งก็กิกนผลมะเดือ่อจะกินนิดนึงแล้วก็โยนทิง้งกิ น, นโยนทิง้งนะกินทิ้งกินขว้าง แต่ถ้ากุลบุตรเป็นผู้มีรายได้มหาศาลสำหรับคนที่รวยนะแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างแรนแคนดาวไซก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรนี้จากตายอดตายอยากอย่างคนอนาถาแสดง ว, ว, ว่าคนรวยเวลาเขาใช้ทรัพย์แล้วก็อย่าไปว่าเขา <laughs> เขากำลังสัมมาชีวิตตา <laughs> รูบ้บุตรรู้จักความได้มาแห่งภพกระซับรู้จักความสิ้นไปแห่งภพกระซับแล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนัดโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจักท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจักไม่ท่วมรายรับด้วยกันอย่างนี้เรียกว่าส ม, มาชีวิ ต, ตาเป็นหลักการง่ายๆที่ถ้าทุกคนนาไปใช้เนี่ยดีแน่นอน เหตุแห่งความเสื่อมทรัพย์นักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงการปรนันนะการมีมิจฉั่นะการดำรงชีพเพื่อสุขในเวลาถัดมามีศรัทธาศีลจารค้าปัญญานะนี่ได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งปัจจุบันและในอนาคตเลย 14่คารวาชั้นเลิศนี้ก็บอกบ่อยนะกามโภคีหากินเป็นธรรมไม่เครียดกัดทำตนให้เป็นสุขนะแบ่งปันโพกซัพ์ไม่มูเมาในโพกซัพนะมีปัญญาเห็นโทษมันด้วยชื่อว่าเป็นกามโภคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐ นรกจริงๆของมนุษย์ก็คือการไม่รู้เรื่องปฏิจจสุบาทหรืออริสัตย์สีนั่นเองนะเป็นเป็นนรกแล้วตรงนั้นนะจะเกิดความทุกข์ความร้อนร้อนในจิตนะวาจาของสัตว์ตบลุตอันนี้ก็บอกบ่อยๆนะเรื่องไม่ดีของใครเนี่ยไม่มีใครตามอย่าพูดนะ ถ้ามีใครถามก็พยายามหลีกเลี้ยวลดย่อนหน่อยอมไม่กล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยละเอียดเรื่องดีของเขาเนี่ยให้ขยันพูดถ้ามีใครถามแล้วพูดให้หมดมมไม่ต้องปกปิดความดีของคนอื่นเอาไว้อสัตตบรุษก็จะทำตรงกันข้ามกัน <c oughs> ในหน้าหกสิบเจ็ดเมื่อถูกติดเตียนเลยถูกทำร้ายร่างกาย พระองค์บอกอะไรให้ละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียจิตของเราจะไม่แปรปวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลและมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาทำยากนิดนึงนะแต่ต้องฝึกนั่นเนี่ยอืมอารมณ์แปรปวนแน่เลยถูกประหารด้วยฝ่ามือ มีใครมาประหารแล้วด้วยฟ่ามือสักเต้ียงหนึ่งนะจะทนได้นี่ยากเหมือนกันนะอ่าด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้ด้วยศัตรานะไม่กล่าวว่าจะอันเป็นปาบาปมีจิตเอ็นดูเกือ้อกูลประกอบไปด้วยเมตตาจะมีอีกอันหนึ่งที่พูุทธเจ้าบอกว่าแม้เขาจะเลื่อยนะเนี่ยหน้าเจ็สิเอ็ดเห็น ไ, ไหม เลื่อยอะเวะน้อยใหญ่นะอของเรานะร่างกายเราถูกเลื่อยอยู่นะก็ยังไม่ให้มีจิตแปรปวนนะไม่กล่าววาจาร์เป็นบาปนะ <c oughs> <c oughs> พระองค์บอกว่าเมื่อบอกเธอพึงกระทาในใจถึงโอวาท อันเปรียบด้วยเรื่องนี้อยู่หนึ่งหนึ่งเถิดยังลองคิดดูสิถ้ายมนึกถึงพระสูตรนี้อยู่เรื่อยๆว่าขนาดเขาเลื่อยแขนขาเรานะเรายังไม่ว่าก็เลยเนเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กไปเลยใช่ไหมเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะเมื่อเธอทำในใจถึงเอาว่านั้นอยู่เธอจะได้เห็นทางแห่งการกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ที่เธออดกลั้นไม่ได้อยู่อีกหรือ จะมีอะไรไหมที่เธอจะอดกลั้นไม่ได้อีกนะคำกล่าวหาที่เขากล่าวหาเธอทั้งเล็กและใหญ่มันเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะนะขนาดเขาเลื่อยวิวาเราเรายังไม่ว่าเลยนะเชิญตามสบายนะอย่างนี้เรื่องการนินทาว่าร้ายมาทุกตีแล้วโอ้เรื่องเล็ ก, เ ร, เ, ลกนะ เ, เรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะเห็นนะพระเจ้าจึงให้สำเนกใจไว้อย่างนี้ น่เคยได้ว่าถ้าเขาทำกับเราขนาดนี้เรายังให้อภัยก็ได้นะพวกเธอทั้งหลายจงกระทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยนี้อยู่เป็นประจำเถิดนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน ข้จ็บสาถัดมานี้เข้าท่านะนี่เราจะไม่พูดถ้อยคําซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันนะเมื่อมีถ้อยคําซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จําต้องหวังการพูดมากเวลาคนเถียงกันมันจะพูดกันมากนะอีกฝ่ายจะต้องพูดให้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมเมื่อมีการพูดมากย่อมคิดฟุง้งซ่านยมจะพูดได้เนี่ยมันต้องคิดก่อน ความคิดมันจะฟุ้งซ่านนั่นแะแต่คิดเยอะเพื่อจะพูดเยอะนะมันก็ต้องคิดเยอะเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สํารวมเมื่อไม่สํารวมจิตย่อมห่างจากสมาธิดังนั้นเวลาคนตกเถียงกันเนี่ยจิตจะห่างจากสมาธิแล้วหน้าเจ็สิบสี่วาจาของสไพรใหม่นะอืม เป็นสไปยเก่ากันแล้วหรือ ย, ยังวิจ้าบอกให้ทำตัวเป็นสไปยใหม่กันจะได้มีวาจาอ่อนหวานพน <c oughs> ระองค์พ <c oughs> ระองค์เตือนกับภิกษุทั้งหลายเนี่ย <S 1> <S 1> ว่าพอภิกษุอยู่กับครูบาาจารย์นานๆก็เริ่มตวาดครูบาาจารยนะ์โดยเปลี่ยเหมือนกับสไปยสไปซเก่าโดยเทียบกับสไปยใหม่ ที่เขาเพิ่งนํามาช่วยวันช่วยคืนก็โอ้ยว่าอาจายังอ่อนหวานเกรงใจไปหมดแม้แต่คนใช้ในบ้านนะครับครับคาค้านนะอืออ่อนหวานหมดเลยแต่พออยู่นานา น, านก็ตวาดผัวนะตะวาดสามีตวาดพ่อแม่สามีอะไรอย่างนี้นะก็เหมือนกันนะภิกษุประวุไปนานานานา น, า น, า น, านก็เริ่มตวาดครูอาจารย์แหละนะอา่ามีแสดงว่ามีตั้งแต่ในกลางพุทธกาลแล้วครูเจ้าจึงบัญญัติ ต, ตรงนี้เอาไว้นะ ก็เลยบอกภิกษุทั้งหลายเนี่ยเราจักอยู่อย่างมีจิตเสมอกันกับหญิงสะภ้ายใหม่ผู้มาแล้วไม่นานแสดงว่าหญิงสะั้ยใหม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีนิสัยดีมากพนะระเจ้าชมเอาไว้น่ารักเออ ไปนึกถึงนางสุชาดานะแฟนของอนาถาปินธิกาเศรษฐีนี่สแสดงว่าไม่อยู่ในคุณสมบัตินี้เลยเนาะนางสุชาดาเนี่เสียงดังนะอื้ออึงจนคุเจ้าสงสัยเลยบอกเอเสียงดังอะไรกันอันาอนาถ า, า, าปินธิกาบอกว่าเนี่ยภรรยาเพิ่งนำมาได้ไม่นานนะ คุยเจ้าก็เลยไหนเรียกมาคุยกันหน่อยสิ <c oughs> ก็เลยอธิบายถึงภรรยาเจ็ดจำพวกไงภรรยาดุดเพชนาคาดนะภรรยาดุดโจรภรรยาดุดนะเปรียบเหมือนแม่นะเปรียบเหมือนเพื่อนนะเปรียบเหมือนแม่ก็คอยอบรมสั่งสอนสามีตลอดเลยนะ <c oughs> นะ <c oughs> สามีทําอะไรโอ๊ะอบรมนะอืมดูแลเกินอีกนะ และก้าวสุดท้ายเป็นภรรยาที่เปรียบเสมอด้วยทาสีนะถูกสามีดุดาทุบตีก็อดทนนะอ่าก็เลยถามนางสุชาดาอ่าปีลรกนางสุชาดาไม่เข้าใจไงผู้เจ้าบอกมาเจ็ดจำพวกก็ขอรายละเอียดหน่อยพอผู้เจ้าบอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็เลยถามแล้วสุชาดาเธอเป็นภรรยาประเภทไหน สุชาดาก็เลยบอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำไว้ว่าข้าพระองค์จะเป็นพระยาดุธาสีอยอมภรรยา ด, ดุธาสีเนี่ยตายไปจะเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นนะเป็นผู้อดทน วาจาไม่มีโทษนะกล่าวคุณแกการตามเป็นจริงอ่อนหวานประกอบด้วยประโยชน์กล่าวด้วยเมตตานะเวลาจะพูดเนี่ยระลึกถึงทำข้อนี้ตลอดเวลาเลยนะจะเกิดประโยชน์กู้แล้วไม่กล้าวกันนี่น ะ, ะบุเพสนิวาตถ้าต้องการจะอยู่กันไป ให้ได้ตลอดทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายพบจะต้องทำตนอย่างไรนะพรุทธเจ้า บ, บอกว่าต้องมีศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาระเสมอกันปัญญาเสมอกันอันนี้จะอยู่ด้วยกันได้ทั้งพบนี้แล้วก็พบหน้านะมีหน้าแปสิเอ็มาแล้วภรรยาเจ็ดจพวก สุชาดาภ <c oughs> รรยาเสมอด้วยไปจักราเสมอด้วยโจรเสมอด้วยนาย <c oughs> เสมอด้วยมารดาเสมอด้วยน้องสาวเสมอด้วยเพื่อนเสมอด้วยทาสีภ <c oughs> รรยาที่เข้าถึงนรกนี่คือพวกไหนภรรยาเสมอด้วยโจร นืยภรรยาเสมอด้วยเพชค่าเนี่ยวัฒกาภรรยาจรลภรรยาอายกาอัอายานายภรรยาเสมอด้วยนายโอ้ภรรยาเสมอด้วยนายก็ไม่ดีนะนี่มเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงนรก ส่วนภรรยาที่เสมอด้วยด้วยแม่ด้วยน้องสาวเสมอด้วยเพื่อนเสมอด้วยทาสีนะภร <c oughs> รยาสีจัมพวกนั้นเพราะตั้งอยู่ในศีลถนอมรักไว้ยั่งยืนเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคตินะ หน้าแปดสิบหกชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดานะก็คือคนดีไม่ดีอยู่ด้วยกันนะนะหรือคนดีคนดีอยู่ด้วยกันนะอืมวัดกันที่ตัวศิน หน้าเก้าสิบเ็ดเป็นเรื่องความเข้าใจในเรื่องของกรรมนี่จะมีอยู่ในเรื่องของหนังสือแก้กรรมให้ด้วยไม่เห็นว่ามีประโยชน์ก็นำมาใส่ไว้ให้แล้วก็กรรมเปียบด้วยก้อนเกลื อ, น, อนี่ก็เป็นแง่มุมที่ ที่น่าสนใจอยู่ว่าใส่เกลื อ, อนิดหนึง่งเข้าไปในใส่เกลือปริมาณเท่ากันเนี่ยในแก้วน้ำกับในแม่น้าคงคาใส่ไปในแก้วน้ำก็จะเค็มใส่ในแม่น้ำคงคาจะไม่เค็มพื้นฐานคนต่างกันในการกระทำอย่างเดียวกันไม่ใช่ว่าจะต้องรับผลเหมือนกั น, นในการกระทำอย่างเดียวกันคนบางคนเนี่ยไปอบายคนบางคนไม่ไปอบายองค์ปริมาณฆ่าคนวากว่าเก้าร้อยกว่าหลุดพ้นได้ คนบางคนเนี่ยนะทำกรรมอย่างเดียวกันไปนระกกักรรมเิดาจารเปรตวิสัยนะดังนั้นศีล <c oughs> ส, สมาธิปัญญาของบุคคลใดเนี่ยมีน้อยนะก็เล่งทำให้มากเราจะได้มีพื้นฐานเหมือนแม่น้ำคงคานะความผิดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะไม่มีผลต่อเราเท่าไหร่พนระพุทเจ้าจะอุปมาเปรบเหมือนกับคนจนที่ เงินหายแม้นิดหนึ่งก็โอ้โหเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นเดือดเป็นแกนนะคนที่รวยมากนะเงินหายไปสักสลึงก็รู้สึกเฉยเฉยน ะ, ะแต่คนจนนี่หายไปกะหาปณะนะหนึ่งกะหาปณ ะ, ะเนี่ยกึ่งกาปณ ะ, ะก็เดือดร้อนและเป็นทุกข์เป็นร้อนมากนะอื บอกพิสูจนทั้งหลายคนบางคนย่อมผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งก่าปันะหรือแม้หนึ่งก่าปัญะแม้ร้อยก่าปัญะส่วนบางคนไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่านั้นคนอย่างไรจึงผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งก่าปัญะคนบางคนในโลกนี้เป็นคนจนมีสมบัติน้อยมีโพค่าน้อยคนอย่างนี้ย่อมผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งก่าปัญะ บาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนทําแล้วบาปกรรมนั้นย่อม น, นําเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลบางคนทําแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยเนี่ยแงนุ่งของกรรมพวกเนี้เป็นเรื่องที่เราควรทราบอืม แล้วก็หน้า99จะเป็นกรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือมรรคมีองแปดวิบากยังเบาของหมู่สัตว์ที่ปิดศีลห้านะในหน้าร้อยสี่ยห้า อันนี้ก็บอกบอกอยู่บ่อยๆเสมอๆนะหน้าร้อยเจ็ดก็ให้ฉลาดในเรื่องของกรรมนะคนเราเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นโจรก็เพราะกรรมนะเป็นพระราชาก็เพราะกรรมนะ บัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรมเราทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยแต่เรามีวิธีออกจากกรรมทั้งหลายได้นะดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องกรรม เรามีเครื่องมือแล้วอริยมรรคมีองค์แปดแก้ได้ในหน้าร้4ก็ได้เคยยกตัวอย่างมาให้ฟังเรื่อยเรื่อยเนื่องการบวชที่ไร้ประโยชน์นะวาบวชมาแล้วไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ย เปรีเหมือนรุ่นฟืนจากเชิงตะกอนที่เผาศพยังมีไฟติดอยู่ทั้งสองข้างตรงกลางก็เพื่อนอุจละย่อมใช้ประโยชน์เป็นไม้ในบ้านเรือนก็ไม่ได้เป็นไม้ในป่าก็ไม่ได้คนพวกนี้เป็นผู้เสื่อมจากโภคค้าแห่งคเรือหัดด้วยไม่ทําประโยชน์แห่งสมณะให้บริบูรณ์ด้วยคือจนที่สุดเลย ร้อเเราจะได้แงม่มุมการมองพระการดูพระมานึกถึงว่าหลายคนถามว่าแล้ว เ, เราจะดูพระอย่างไหนะสินของท่านบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้พระสูตรนี้เป็นคำตอบให้ได้นะเพราะคาบดีคนนี้เขาก็าจะดูพระจากการที่ถือธูปดงแล้วก็เป็นพร ะ, ะหรหันนี่พรเจ้าบอกว่าเป็นการยากที่ ข้พเดีจะรู้ว่าใครเป็นพระหลานนะและการถือทุดงก็ไม่ได้เป็นเครื่องวัดเองเหมือนกันวักถือทุดงด้วยความโง่เขาก็มีด้วยคิดว่าคนก็สรรเสริญอยากได้รับการสรรเสริญก็มีเป็นผู้อยากได้ลาบก็มีมีหลายแงยม่มุมแต่อะไรที่ผู้เจ้าให้ดูนะฟุ้งซ่านไหมถือตัวไม้มนะ พูดกลับกรอกไม้พูดมากไม้วาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลงไหมปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปปิดมีอินเสียนปล่อยแล้วไม่สำรวมอินสีมีโยมอยู่คนมาที่วัดเขาบอกว่าเข า, าย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไปใส่บาทบอกโอ้ยหมดสต้าเลยเจอพระเดินบินบาทแกวงบาทปิวไปปิวมาเดินแกวงโอ้โห นกะ็บอกเขาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะเขาไม่อยากใส่บาตรอีกเลยนะมีการไม่ไม่สํารวมอินทรีย์มีอินทรีย์ปล่อยแล้วนะ mm hmm. นะอืมาตมาก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะอาตมาเจอมากกว่านั้นอีกมีพระจากวัดหนึ่งวัดที่ไหนก็ไม่รือมาขออยู่ที่วัดเรานะมาขออยู่ใกล้ๆพรรษานี่ต้องระวัง แสดงว่าไม่มีวัดไหนรับแล้วนะจะมัจม่ายกับวัดไหนไม่ได้เลยนี่เขาก็มาฝากไว้วัดเราแล้วอ่าไม่เป็นไรลองอยู่ดูโอ้ได้เรื่องเลยมีหน้าไม่มีวัดไหนรับนะเดินบินาบาบเนี่ยเดินตกบาทร้องเพลงไปด้วยนะโอ้นี่อีกแบบหนึ่งนะตกเย็นอาบน้ำอาบท่าละปาแป้งหน้าขาว ดูที่กุฏิโอ้ก็ปองแป้งนี่ยี่สิบสามสบกระปองโอ้ยอะไรกันขนาดนั้นเนาะอือก็แอบสูบบุหรีนะวันหนึ่งก็เห็นเขาเอาซองบุหรี่ใส่อังสามาด้วยเราก็เลยหยิบมาทิ้งซะเขาเดินคล้อยหลังพอเดินคล้อยหลังแยกจากเราไปหน่อยเดียพอน้ำฝนแตก มีฟีดแบ็กกลับมาทันทีเลยทำท่อน้ำในวัดแตกนะช่างต้องไปซ่อมอีกอการรับพระรูปนึงมาอยู่ในวัดนี่ก็จริงโอ้โหระมัดระวังค่อนข้างมากนะเหมือนกับบ้านโยมอะแล้วรับคนแปลกหน้าเข้ามานะโอ้โหกล้าไหมใช่ไหมให้เข้ามาเดินอยู่ในบ้านเราทำอะไรต่ออะไรโอ้มันเสี่ยงนะถ้าไม่รู้ประวัติ หนที่มาที่ไปไม่รู้จักกันจริงๆริเนี่ยโอ้ไม่อยากให้เข้ามานะอ่าเป็นอย่างนี้บางทีก็ไม่ใช่ว่ารังเกียจอะไรกันหรอกแต่ต้องค่อย ค, อ ย, คอยดูกันไปมันจะพานให้หมู่คณะเดิมเสียไงอ่าแล้วพวกนี้จะปั่นป่วนหมู่คณะเดิมเข้าไปหมดแหละนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นวิธีดูพระนะที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในหน้า120ร้อยี่สิบเอ็ดก็อย่าไปห้ามผู้ใดให้ทานใครให้ทานก็อย่าไปห้ามเดี๋ยวจะไม่ใช่มิตรนะผลแห่งการให้ทาน <c oughs> นะ การให้ทานโดยกรรพบโดยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนเองนะไม่ให้ของที่เหลือนะเชื่อผลกรรมนะนี่เป็น อ, อ น, นิสงค์ของทานที่เรามักจะไม่เคยได้ยินได้ฟังกันนะส่วนใหญ่เราคิดว่าเรื่องการให้ทานเนี่ยจะเป็นผู้มีโภคะมากมีสรบพย์มากรู้แค่นั้น แต่อันนี้นี่อันนี้สงการให้ทานเนี่ยจาแนกออกไปได้เยอะเลยนะให้มีรูปงามผิวพรรณงามนะ <c oughs> จิตของผู้นั้นย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีน้อมไปเพื่อการบริโภคผ้านะยานกรรมคุณห้าอย่างดี แม่บริวัรชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรปยาธาตุคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นนะทั้งนี้เป็นเพราะผลของการกระทำที่ตนกระทำโดยเคารพนะการให้ทานโดยเคารพลองไปอ่านพระสูตรพวกนี้ดูนะ แล้วก็มีการเปรียบเทียบของอนิสงค์ของทานที่มากน้อยกันไปตามลำดับนะสิ่งที่จัดว่าเป็นมหาทานในหน้า130คือตัวสินห้านะแล้วก็หน้า132เป็นพระสูตรที่จัดกับพระนางมาริกาที่ยกขึ้นมาให้เราทราบบ่อยๆ โภชนะแล้วได้ผลอะไรนะการถวายอาหารนะเป็นการให้อายุให้วนันณะให้สุขะให้ภาระรันให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแหน่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์นะให้วันณะแล้วให้สุขให้ภาะมีส่วนแหน่งภาะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์นะนะ นี่อา น, นิสงของผู้ให้โภชนะนะการให้อาหารดังนั้นการใส่บากการถวายอาหารนี่ได้อานิสงเยอะพอสมควรเหมือนกันนะในหน้าร้อยสาสิบเจ็ดนี่เป็นการประมาณนะ ในเรื่องของกลับจริงๆมีกุประมาณมากกว่านี้อีกหลายอันนี้ยกมาแค่อันเดียวพอให้ได้ประเมินได้ว่ากลับหนึ่งประมาณเท่าไหร่นี่สังสารวัตน้ำตาที่ร้องไห้มาแล้วเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ ที่เหลือก็เป็นพระสูตรที่เรารู้จักกันเกือบทั้งหมดมักมีองศาศรลวาชันเลดกรจบนะมีใครสงสัยจะซักถามธรรมะข้าใดบ้างไหมเรื่องหรือเรื่องอื่นมีมเขกาก ร, ระพเจ้าเจ้าค่ะ เ, เรื่องของที่เมื่อกี้พระอาจารย์ได้พูดถึงพระสูตรที่ว่าท่องพระสูตรให้คนใกล้สิ้นชีวิตฟังนะเจ้าค่ะพระสูตรนี้มีระบุไหมคะหรือว่าจะพระสูตรไหนก็ได้เจ้าค่ะไม่ไม่ได้ระบุเลยบอกเป็นคำของตถาคตแล้วใระสูตรทีไ่ได้ฟังก็ได้หมดเจ้าค่ะแล้วในส่วนของที่ว่าบทสวดของคน ป่ยไข้แล้วเจ้าคะ่ะในสาธยายทรรหน้า81นะเจ้าค่ะในส่วนตรงนี้นีส่สามารถนำมาได้ได้ได้เหมาะเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ใ <c oughs> นส่วนของที่ว่ า, อาตอบแทนคุณบิดามานานี่เจ้าค่ะถ้ากรณีว่าเรานำท่านาตามที่ตามในพระสูตรนี้แล้วเจ้าค่ะแล้ว พ่อแม่เกิดยังไม่เข้าใจหรือยังไงก็คือเราก็ยังต้องทำต่อเนื่องใช่ไหมเจ้าคะใช่คืออย่าไปประเมินพ่อแม่นะหน้าที่เราคือให้ธรรมะพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆมันจะต้องมีซักคำที่เขาเข้าใจนะอยู่ที่ที่อินทรีย์ของเขาแล้วดังนั้นหน้าที่เราคือให้เขาได้ได้ฟังคำพระเจ้าอย่างเดียว ที่เหลือเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องกระทำก็คือแค่แนะนำแล้วขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของพ่อแม่นั่นหมายถึงว่าเราก็ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วถูกไหมจ๊ะใช่ใช่ค่ะขอบคุณขอบคุณจ้ะมีคำถามจากผู้สนใจศึกษาพุทธวิชชขอให้อาจารย์ช่วยตอบเพื่อหายความสงสัย คำถามมีเยอเพราะมีเพื่อนฝากถามขอตามอาจารย์ด้วยถ้าคำถามใดไม่มีไม่ใช่พุทธวจนะก็ขอให้ข้ามได้เลยแต่คําถามใดมีอยู่ในพุทธวจนะขอให้เมตตาตอบด้วยนะอืมการทําทานไม่ได้ช่วยเราลอดพ้นจากนารกทุกติวินิบาตเป็นเพียงการกระจัดความตรณีเป็นไปเพื่อการได้ไมาซึ่งพุททรัพย์ใช่หรือไม่โอไม่การทําทานนี่ เป็นได้ถึงหลุดพ้นเลยนะถ้ามองมุมการให้ทานเป็นหลุดพ้นคื อ, ค อ, คอผู้เจ้าตรัสบอกการให้ทานคือขันธ์ห้าให้ขันธ์หเป็นทานคือปล่อยวางขันธ์ห้านะสละขันธ์ห้านี่เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งวิมุตติหรือนิพพานเลยดังนั้นคําว่าทานเนี่ยมันมีมุมมองที่ลึกไปยันนิพพานเลยก็มีนะอืมแล้ะผู้เจ้าจะมีตรัสว่าจิตที่ตระหนี่เกินไปยากที่จะเข้ามรรคผลนะอืม สองการทำบุญอุทิศกับการแผ่เมตตาเดียวกันหรือไม่ถ้าต้องการอุทีศให้ผู้ร่วงลับหรือต้องการให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้บุญกุศลจะทำอย่างไรหลักการเรา <c oughs> มองแล้วน่าจะเป็นหลักการเดียวกันกับแผ่เมตตาคือจิตต้องปราศจากนิวรณ์ห้าหรืออกุศลวิตกสามอย่างซึ่งพระตถาคตบอกว่าจิตที่มีอกุส น, นี่เป็นจิตที่ไม่มีกําลัง ดันจะต้องเป็นจิตที่มีกําลังจิตที่มีกําลังก็ต้องปราศจากอากุศลพระอกุศลที่แท้จริงพระองค์ตรัสว่าคือตันิวรหานะโดยโยกอุปมาเปรียบเหมือนน้าที่ไหลลงมาจากภูเขาเนี่ยนะจะเป็นน้ําที่มีกําลังมากถ้าไม่ถูกแยกแยะไปทางซอกซอยซ้ายขวาอนซอกซอยซ้ายขวาเนี่ยมันเป็นตัวตัดกําลังน้ําซึ่งจะเปรียบด้วยนิวรหานะทำให้น้ําไม่มีกําลังดังนั้นจัน การที่เราจะอุทิศบุญกุศลหรือว่าแผ่เมตตาก็ตามในการแผ่เมตตาในผู้เจ้าตัดกาวาเศษตาต้องร้านิวนหนะการอุทิศบุญกุศลก็คุณจะใช้หลักเดียวกันให้จิตมีกำลังก่อน <c oughs> ที่มาของสังฆทานอ่ก็เป็นพระสูตรที่เพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คื อ, อข้าพเจเขาอยากจะถวายทานกับพระอรหันต์หรือพระผู้ถือธุดง ผู้เจ้าก็เลยบอกวิธีมองพระไว้ให้แล้วก็บอกถ้าหาไม่ได้ก็ให้ถวายทานในสงฆ์นะโดยที่เราตั้งเจตนาไม่จำเพาะเจอดจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการถวายเป็นถังหรือว่าการถวายเฉพาะพระสีรูปหรืออะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวถวายอะไรก็ได้โดยที่เจตนาไม่จำเพาะเจาะจง <c oughs> เคยฟังซีดีแต่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอคุสลกรรมบทสิบคืออะไร กุศลกรรมมโหถสิบคืออะไรนะก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมนะไม่พูดโกหกเรื่องข้อ4เนี่ยนะจะกระจ า, า, ายอ่เป็นสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคาหยาบเพ้อเจอ้อส่อเสียดนะไม่โลภไม่พยาบาทมีส ม, มาธิฏินะอ่ามีเป็นกุศลกุศลกรรมโบโหสถสิอกุศลก็คือตรงข้ามกันสัยญเบื้องต่ําเำดั่งสูงคืออะไรบ้าง นะเบื้องต่ําก็มีห้าเบื้องสูงมีห้าเบื้องต่ำสักยะทิฏฐิวิจิกิจชาสิละพุทปรามาสนะกรรมราคะพยาบาทเบื้องสูงก็รูปปราคะรู ป, ปราคะมานะอุทจฉาวิชานะมีเบื้องสูงรับ <c oughs> ปัจเจกพูะเจ้าต่างกับพระพุทธเจ้าอย่างไรนะก็คือ พระปัจเจกเหมือนกันคือตัสดสลุดได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีใครสอนต่างกันก็คือพระปัจเจกไม่ได้สอนไกลแต่ผู้เจ้าจะสอนน ะ, ะพระส ม, มุติสงฆ์คือพระที่ยังไม่บรรลุอริบุคคลใช่หรือไม่นะคือสงฆ์ในในความหมายของพระตถาคตก็คือผู้ที่ มีนัยยะหลายนัยยะเหมือนกันนัยยะหนึ่งก็คือเป็นโซดาบันสกัตถคามีนาคามีพระหานอีกนัยยะหนึ่งต่ําลงมาอีกก็คือศินบริบูรณ์การมีศินบริบูรณ์ก็ไล่ตั้งแต่สัมปันนะศีล า, าเป็นผู้มีศินบริบูรณ์าวางท่อนไม้สัตราไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิด ป, ปรมาจันไล่ามาเรื่อยๆ เกือทั้งการไม่ดูหมอดูเลิกดูยามนะไม่ทําน้ำมนต์ปลุกเสกต่างๆนี่คือสัมปันธศีลาสิลกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็คือสัมปันธาปาติโมขาปาติโมขาสังวรสังบุตานี่คือสิงกลุ่มที่สองนะสิกาบทปาติโมกอีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่าอาทิพรมจริยกาสิกาเพราะว่าศิงกลุ่มนี้จะเป็นสินอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรมัจจัน สินกลุ่มที่สมเรียกว่าอาจาราโคจรสัมปนันาะหรือเรียกอย่างว่าอภิอภิสมาจาริกธรรมเป็นสิลที่ว่าด้วยมารยาทและโคจรเหตุผลในการบัญญัติคือเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นแก่คนที่เริ่มเลื่อมใสแล้วนะรวมรัศมีสอวพันสี่ร้อกนี่คือสินสามกลุ่มนะที่พิสูจน์ต้องรักษาเป็นอย่างดี ก็จัดว่าเป็นเป็นพิสุในธรรมวินัยเหมือนกันนะพระเสขาคืออะไรเป็นแบบไหนพระเสขาคือตั้งแต่โสดาบันสะกะทาคามีนาคามีส่วนพระอรหันต์จะเรียกว่าอเสขาคือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วเสขาคือผู้ที่ยังต้องศึกษาโสดาบันก็ต้องศึกษาสะกะทาคารมีนาคามีต้องศึกษาทั้งหมด ของช่วยอธิบายว่าการปฏิบัติเบียดเบียนที่ว่าให้ละทิ้งรู้ว่ามันไม่ดีแน่นอนเนี่ยแต่อยากจะรู้ความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรทำไมท่านย้าว่าต้องละต้องทิ้งนะก็เพราะว่าขณะที่เราคิดถึงสิ่งใดดํางเหลีงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่เนี่ยสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณย่อคิดเรื่องอะไรก็ตามวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้ว และถ้ายมคิดในเรื่องของการพยบาทเปลียนเปลี่ยนวิญญาณก็ไปตั้งตรงนั้นแล้วอีกเช่นกันซึ่งอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของทุกคตินะวิญญาณไม่รู้หรอกว่าร่างกายมันจะตายเมื่อไหร่มันไม่รู้จักกันวิญญาณหลุดไปคิดพวร่างกายตายบดีตรงนั้นเป็นอัตภาพใหม่ของเราพระุทธเจ้าจึงบอกว่าขณะที่เธอคิดการพยาบาทเลียเปลี่ยนเปรียบเหมือนไฟกําลังลุกไหม้โปร่งเสื้อผ้าของเธอหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องละต้องทิ้งเพราะขณะนั้นวิญญาณตั้งอาศัยอยู่ในภพนั้นแล้วโนะยมได้ได้พบมันเป็นอาบายแล้วจะไม่ทิ้งหรื อ, อยังไรนะก็ะต้องใกล้ควรดีๆอยากรู้ว่าเรามีสามอย่างนี้ในตัวบุคคลทุกคนไหมมีหมดนะนะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าคนที่ไม่ละมั่นระวังในอายนะแน่นอนเกิดขึ้นได้ตลอด เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นทางไหนได้บ้างทุกภาษะเลยภาษายาตนะทั้งหลายหประการเป็นเนตได้เกิดขึ้นได้หมดเขาบอกเขารู้สึกว่าเขาจะมีไพ่บาดเบียดเบียนเกิดขึ้นเกือบทุกวันอ๋อธรรมดาหน้าที่เราเคยโยนทิ้งเกิดมาปุ๊บโยนทิ้งเป็นปัญหาของคนในครอบครัวญาติพี่น้องกันเองเพื่อนร่วมงานคนรัก ทำยังไงก็รู้สึกเจ็บปวดทุกเมื่อที่มีอะไรมาสกิดให้ต้องนึกถึงนะคับแครนมากไม่เป็นไรนึกถึงได้ก็ทิ้งได้นะก็ละความเพลินตั้งไว้ซึ่งกายกัคตาสตินะตั้งแต่ได้สนใจเข้ามาศึกษาพุทธวจนะกับพระอาจารย์ความเจ็บปวดความคับแครนความทุกข์ได้บรรเทาลงไปตามลําดับความเศร้าสลดหดถูใจก็ไม่มาอีกแต่ความแครนน้อยใจ ในสิ่งที่เขาทําไว้กับเรามันยังผุดขึ้นมาบางครั้งทั้งที่พยายามละนันทีสู้แต่มันก็อยู่ในความทรงจําของเราไม่เคยลืมทั้งที่พยายามลืมมันนะเพราะยังรักเขาอยู่หรือยังมีอุปทานอยู่จึงลืมได้ยากก็ทั้งสองอย่างแหละการรักก็คือการมีอุปทานที่ผู้ชาบอกความเพลินหรือความพอใจใดความเพลินนั่นคืออุปทานนะพอใจนั่นแหละคือ ย, ยึดและนะอืมก็ค่อยๆทําไป ทำกันเป็นปีแหละเรื่องพวกนี้นะราคะคือความพอใจเป็นสิ่งที่โทษน้อยแต่คลายช้าเรามองไม่ก็เห็นโทษของมันหรอกและมันก็คลายช้าด้วยนะจึงต้องค่อยๆประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆคือเราอย่าไปคิดว่าวันสองวันเดือนสองเดือนปีสองปีจะได้นะเราต้องทำไปเรื่อยๆเป็นปฏิปทาสม่าเสมอนะโอ้มีหน้าหลังอีกหรอเนี่ย มึกว่าหน้าเดียวอือหรื อ, อ, อ, อจะเรื่องเลยเวลานคนหูหนวกตาบอดอยากทราบว่าสามารถรู้ทำมารู้ทำได้ไหมได้ไม่ได้จำกัดการรู้ลมมีได้สำหรับผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะแสดงว่าคนพิการทางจิตความคิดคนปัญญาอ่อนไม่มีการรู้ทำได้ใช่คนบ้านนี้ออกไปอีกพวกหนึ่งนะท่านนับเป็นเครื่องขูดกล่าวถิมันในมิตุ เราไปดูที่ปฐมธรรมแล้วกันนะการบริจาคอวัยวะน้านนิสงพูทธจ้าไม่ได้บอกเอาไว้ ภิกษุบวชมานานไม่ได้เป็นหรไบุคคลกับภิกษุณีที่บวชเข้ามาทีหลังใครต้องกราบใครตามวินัยนี่ต้องไปฟังสีเดียตมาให้เยอะกว่า น, นี้นะ่นนี่มีตอบไปหมดแล้วนี่นะเอาน ะ, อน ะ, อนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเลยเวลามากนะ อ่าอ <c oughs> <c oughs> ่าเอาหน่อยหนึ่งอ่าฮะเออสงสัยว่าพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นอาจารย์นะคะคือมีการลงโทษลูกศิษย์ที่ไม่เชื่อฟังแบบอย่างขั้นสูงสุดอ่ะคืออะไรคะเพราะว่าเคยฟังมาเหมือนกับว่า แค่ไม่สนใจใช่ไหมคะคือเหมือนทำเพิกเฉยจะถามว่ามีสิทธิ์ที่จะไล่ไ ล, ไล่ออกขับไล่ออกจากหมู่คณะอะไรงนี้ไหมคะมีอุปชาอุปชาาจาร์เนี่ยจะขับลูกศิษย์ออกได้แต่หน้าที่คือลูกศิษย์ต้องกลับมาขอขอมาและอุปชาต้องอาภัยให้ถ้าอุปชาไม่อาภัยให้จะถูกปรับประปัดทุกกฎเป็นวินัยมีบอกไว้หมดเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ที่ถูก ครูอาจารย์ขับออกเนี่ยจะต้องรู้ว่าหน้าที่ตัวเองคือกลับมาขอขมาและหน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้องทําตอบคือต้องอภัยให้น ะ, อ, ะอย่างนี้เป็นวิ น, นัยที่ที่พระเจ้าบัญญัติไว้นะ อ, ะอะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนเนาะก็ขอให้มีความอ แตกชั้นในธรรมะของพระตาตากฏก็มีความเจริญงอกรรมในธรรมะของพระตาตากฏที่สุดก็ยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคต ก, การัในใกล้โดยทุน้าการทุกตันทุกคนเทิ